เรื่องพระอังคุลีมานเทระหรือพระองคุลีมานเทระนะครับพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราโรคพระองคุลีมานเทระภิกษุทั้งหลายถามพระองคุลีมานเทระว่าท่านเห็นช้างตัวดุร้ายยืนกั้นฉัดอยู่ไม่กลัวหรือตอบว่าไม่กลัว โดยนัยยว่าเป็นการพยากรอรหัตของตนเองว่าตนได้บรรลุอรหัตแล้วภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้ากราบทูลพระศัสดาว่าท่านองค์ุลีมานั้นพยากรณอรหัตด้วยคำไม่จริงพระศัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายองค์คุลีมานบุตรของเราย่อมไม่กลัวเพราะว่าภิกษุเช่นบุตรของเรา องอาจในระหว่างพระกีนาศพผู้องค์อาจทั้งหลายยอมไม่กลัวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าเราเรียกบุคคลผู้องค์อาจผู้ประเสริฐผู้กล้าวกล้าแสวงหาคุณอันใหญ่ผู้ชนะโดยวิเศษไม่หวั่นไหวผู้ล้างแล้วผู้รู้นั้นว่าเป็นพราม ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยพลนทั้งหลายมีโสดาปติพลเป็นต้นดังนี้แหละ